บทที่สิบสองเมตตาบารมีทันทีที่สตรีผู้นั้นคลานออกไปสตรีสาววัยสาสิบสองก็กราบเรียนว่าหลวงพ่อคะหนูไม่ได้ทุกข์เรื่องผัวมีเมียน้อยแต่ทุกข์เรื่องผัวมีผัวน้อยค่ะ ท่านพระครูคิดว่าฟังผิดจึงบอกหล่อนว่าหนูพูดใหม่สิพูดช้าช้าตั้งสติให้ดีไม่ต้องกลัวนะทุกมีไว้ให้กำหนดรู้ไม่ได้มีไว้ให้ทุกอย่าเอาทุกมาไว้กับตัวเราข้าหลวงพ่อถ้าอย่างนั้นหนูจะขอพูดใหม่ชัดช้าชัดๆนะคะว่าหนูกำลังทุกเพราะสามี มีผัวน้อยเป็นผู้ชายผู้ชายคนนั้นเป็นคนใช้ในบ้านค่ะคนฟังต่างพากันพิศวงสงสยัยไม่แน่ใจว่าใครเพี้ยนกันแน่คนฟังหรือคนพูดท่านพระครูจำเป็นต้องใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบและท่านก็ทราบความเป็นไปของสามีหล่อนว่าเป็นผู้ที่มีเศษกรรม ข้อการเมสุมิช่าจารติดมาจากชาติก่อนเกินหกสิบเปอร์เซ็นมาชาตินี้จึงมีจิตวิปริตผิดชายชาญต้องการหาความสุขจากไม้ป่าเดียวกันข้างฝ่ายสตรีผู้นี้ก็มีกรรมข้อการเมสุมิช่าจารติดมาเกินหกสิบเปอร์เซ็นเช่นกันจึงต้องมาถูกแย่งของรักของห่วงถึงหล่อนจะเลิกกับชายคนนี้ไปแต่งงานกับชายอื่น ก็ต้องถูกแย่งอีกตลันก็มีโอกาสที่จะใช้นี่กรรมได้การมาเข้ากรรมฐานสามีของหล่อนนั้นท่านช่วยไม่ได้เขาจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกเจ็ดชาติสำหรับหล่อนชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะชดใช้กรรมนั้นได้หมดสิ้นไปไม่ใช่สร้างกรรมใหม่ขึ้นมาอีกขอประธานโทษหนูมีบุตรกับสามีกี่คน สามคนค่ะเป็นผู้ชายทั้งหมดและแบบเนี้ยลูกหนูจะเป็นแบบพ่อเขาไหมคะหนูกลัวจังค่ะเรื่องสามีหนูพอทาใจได้เพราะมันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ตอนนี้เกิดความกลัวว่าลูกจะเอาอย่างพ่อจะเป็นหรือไม่เป็นก็อยู่ที่หนูคนเดียวอย่าลืมว่าแม่บ้านสําคัญที่สุดในครอบครัว พ่อบ้านก็จะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขามันคนละคนกันแต่แม่บ้านต้องจัดการบ้านเรือนให้ดีแล้วก็หมันไหว้พระสวดมนต์สอนให้ลูกไหว้พระสวดมนต์ตั้งแต่เล็กๆเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีไม่วิปริตผิดเพศอย่างพ่อเขาเรื่องของหนูหนักพอสมควรถ้าจะแก้ให้ได้ผลดี ต้องเข้ากรรมาฐานอย่างน้อยเจ็ดวันหนูทำได้ไหมละ่ะได้ค่ะหลวงพ่อถ้ากรรมาฐานช่วยลูกหนูได้จะให้เขาเข้าสักเดือนหนูก็ยอมค่ะเข้าวันนี้เลยได้ไหมคะอย่าเพิ่งเลยกลับไปจัดการทางบ้านให้เรียบร้อยก่อนบอกลูกให้เขาเข้าใจว่าหนูจะมาสร้างความดีเพื่อพวกเขาให้เข้าอนุโมทนาด้วย หนูจะได้ปฏิบัติได้เต็มที่ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังแล้วก็ไปลา ง, งานเสียให้เรียบร้อยจริงสิหนูลืมไปว่ายังไม่ได้ลาออกจากงานหนูคิดจะออกเพื่อจะได้ไม่ต้องจ้างคนใช้หนูควรลาออกดีไหมคะหลวงพ่อไม่ดีหรอกหนูหนูเป็นข้าราชการไม่ใช่หรือ ต่อไปคนที่เป็นข้าราชการจะหาไม่ได้อีกแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะมีคนบางคนถือโอกาสยกเลิกระบบราชการโดยอ้างว่าทำเพื่อประเทศชาติแต่ความจริงนะ่ะไม่ใช่ถ้าเช่นนั้นหนูก็ต้องจ้างคนใช้ต่อไปนะสิคะแล้วก็ต้องทนอยู่กับคนที่เข้าแย่งสามีของหนูจะยากอะไรล่ะ หนูก็หาคนใช้เป็นผู้หญิงแท้ก็หมดเรื่องท่านพยายามช่วยแก้ปัญหาไม่ได้หรอกค่ะหลวงพอ่อคนใช้ผู้หญิงอยู่บ้านหนูไม่ได้สักคนเพราะสามีหนูจู้จี้ขี้บน่นคนนี้กลิ่นตัวเหม็นคนนั้นกินเก่งสกปรกขี้ขโมยสารพัด ท, ที่เขาจะตำหนิเด็กแกก็อยู่ไม่ได้พากันออกไปเขาก็หาคนใช้ผู้ชายมา แต่ละคนก็อยู่ได้นานเพราะสามีหนูจะบำรุงบำเรอย่างดีแต่พอเขาเบื่อเขาก็ให้ออกและก็หาคนใหม่มาแทนแรกๆหนูก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรกับคนใช้วันหนึ่งหนูก็เลยลองแอบดูเพราะสงสัยมานานแล้วว่าทำไมเขาต้องชอบไปกรุบอยู่แต่ในห้องคนใช้แล้วหนูก็ได้เห็นภาพอุจาบารตาจึงได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้ เล่นละครเก่งกลางคืนเล่นบทผัวกลางวันเล่นบทเมียหนูทั้งโกรธทั้งแค้นจนอยากจะฉีกเนื้อเขาออกเป็นชิ้นๆแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงสู้แรงเขาไม่ไหวก็เลยได้แต่ชี้หน้าด่าด้วยความแค้นลูด่าเขาว่าไอ้คนชั่วกลางคืนแกเป็นผัวฉันกลางวันเป็นเมียคนใช้ ขอให้แกไปลงนรกหนูด่าแบบนี้จะบาปไหมคะหลวงพ่อแล้วหนูจะตกนรกไหมคะตกสิตกตั้งแต่ตอนด่าเขานั่นแหละท่านพระครูตอบหมายความว่าอย่างไรคะคนเราจะตกนรกได้หรอคะในเมื่อยังไม่ตาย หล่นกังขาได้สิหนูคนเราสามารถขึ้นสวรรค์หรือว่าตกนรกได้ทั้งที่ยังไม่ตายที่เขาเรียกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจอย่างไรล่ะหนูโกรธในขณะที่โกรธใจหนูก็เหมือนอยู่ในนรกจริงไหมจริงค่ะแบบนี้ถ้าหนูตายก็ต้องไปตกนรกอีกรอเปล่าคะ มันต้องขึ้นอยู่กับเหตุปจัจจัยหลายอย่างแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าหนูตายขณะกําลังกโกรธหนูก็ต้องตกนรกทันทีท่านพระครูตอบตามหลักการของพระพุทธศาสนาถ้าอย่างนั้นหนูขอกราบลาละค่ะพรุ่งนี้หนูจะไปลา ง, งานถ้าเรียบร้อยก็จะมาเข้ากรรมฐานเลยแต่ถ้าพรุ่งนี้ยังจัดการไม่เรียบร้อย ก็จะมามารืนนี้นะคะหนูขออ้างบุญบารมีที่หลวงพ่อบำเพ็ญมาโดยเฉพาะเมตตาบารามีจงโดนบันดาลให้หลวงพ่อหายอาพาธโดยเร็วและขอหลวงพ่อจงมีอายุยืนนานอยู่เป็นร่มโพ ร, ร่มใสให้สัตว์ผู้ทุกข์ยากได้พึ่งพิงหนูกราบลาละคะ่ะลอนกราบเบญจางคประดิดสามครั้งแล้วลุกออกไป บุรุษวัยหกสิเศษที่นั่งข้างหลังหล่อนจึงได้มีโอกาสได้นั่งข้างๆหน้าบุรุษนั้นหน้าตาทุกทนหม่นไม้เขากราบท่านสามครั้งแล้วก็นั่งก้มหน้ามีกล้า จ, จะพูดท่านพระครูจึงได้เอ่ยขึ้นก่อนว่าโยมจะให้อัตมาช่วยอะไรก็บอกมาเลยหากอัตมาช่วยได้ก็จะช่วยได้กำลังใจจากท่านอย่างนี้ เขาจึงกราบเรียนด้วยเสียงที่ค่อนข้างสั่นว่าลูกชายผมหายไปสิบสองปีแล้วครับผมไม่รู้ว่าเขายังอยู่หรือว่าตายไปแล้วผมเคยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หลายครั้งอธิษฐานว่าถ้าหากเขาตายแล้วก็ขอให้มาบอกกล่าวด้วยแต่เขาก็ไม่มาผมจึงอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าทำไมเขาถึงไม่มาครับ ท่านพระครูตอบทันทีว่าก่อเขายังไม่ตายแต่เขาก็มาไม่ได้เขากำลังรับเคราะห์กรรมอย่างหนักเพราะถูกเพื่อนหักหลังชาติก่อนเขาเคยทําไว้กับเพื่อนมาชาตินี้จึงต้องชดใช้เขาอยู่ที่ไหนครับและทำไมเขาจึงไม่ส่งข่าวให้ผมทราบถามอย่างกระตือรือร้นเพราะเขาไม่อยากให้โยมทุกข์ แต่ก็เอาเธอถ้าโยมอยากทําตามที่อาตมาแนะนำเขาก็จะกลับมาหาแต่ถ้าโยมไม่ทําโยมก็จะไม่ได้พบเขาอีกหลวงพ่อให้ผมทําอย่างไรผมยอมทุกอย่างถึงจะให้ผมตายแทนลูกผมก็ยอมหลวงพ่อบอกมาเถอะครับผมมีลูกคนเดียวถ้าลูกเป็นอะไรไปผมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไร ใจเย็นเย็นโยมลูกชายโยมยังไม่เป็นอะไรหรอกเพียงแต่เข้ามาหาโยมไม่ได้แต่ถ้าโยมทําตามที่อาตมาแนะนำโยมจะช่วยเขาได้และเขาก็จะกลับมาอยู่กับโยมท่านย้ำเพื่อให้เขามีกาลังใจหลวงพ่อกรุณาบอกผมมาเถอะครับว่าจะให้ผมทำอะไรผมจะทำทุกอย่าง แม้ว่าจะยากเย็นแสนเข็ญเพียงใดก็ตามบุรุษสูงวัยผู้จักใจจริงท่านพระครูนิ่งไปอึดใจหนึ่งแล้วก็พูดกับเขาว่าอัตมาเข้าใจและเห็นใจโยมว่ากำลังทุกข์เลิศเกินฉะนั้นสิ่งที่อัตมาจะขอแนะนำจึงไม่เหมือนกับที่แนะนำคนอื่นๆแล้วอัตมาก็ยังไม่เคยแนะนำใครมาก่อนเพราะมันทำยากมากถึงแนะนาไป เขาก็ทำกันไม่ได้แต่สําหรับโยมจะต้องทำให้ได้เพราะจะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นวิธีอื่นไม่ได้ผลเอาละอัตมาจะบอกวิธีให้และขอย้าว่ายังไงก็ไม่เคยบอกใครมาก่อนนั่นคือโยมจะต้องสวดมหาเมตตาใหญ่ทุกคืนคือละสามจบให้สวดติดต่อกันเก้าเดือนขาดวันเดียวก็ไม่ได้ ถ้าทำได้ลูกโยมจะกลับมาภายในสามวันนับจากวันที่สวดครบท่านบอกวิธีการเพราะรู้ว่าบุรุษผู้นี้มีความเพียรพอมหาเมตตาใหญ่เป็นอย่างไรครับแล้วผมจะหาได้จากที่ไหนเป็นบทสวดมนต์ที่พวกเทวดาเข้าใช้สวดกันให้โยมไปขอจากพระครูปลัดเสงี่ยมที่วัดสุทัศนมีที่นั่นแห่งเดียว ไปขอลอกจากท่านแล้วนาไปสวดอย่าลืมนะสวดวันละสามจบขาดวันเดียวก็ไม่ได้ท่านย้ําครับผมจะไปเดี๋ยวนี้ถ้าลูกผมกลับมาผมจะพามากราบหลวงพ่อนะครับผมขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ช่วยให้ผมมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่หมดอะไรตายยากในชีวิตแล้วขออํานาจบุญกุศล ที่หลวงพ่อได้สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจงดนบันดาลให้หลวงพ่อหายเร็วๆนะครับเขากราบเบญจางข้าประดิษฐ์สามครั้งแล้วจึงขอทางญาติโยมออกไปหลวงพ่อคะทำไมลูกของแกถึงไม่มาหาแกล่ะคะในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็น่าจะมาหาพ่อแม่หญิงสาวผู้หนึ่งถามขึ้นเพราะเขามาไม่ได้นะสิเขาถูกเพื่อนหักหลังเรื่องธุรกิจแล้วก็หลอกให้เขาไปทำธุรกิจด้วยกันที่ประเทศลาวเสร็จแล้วก็ให้ตำรวจลาวจับขังคุกขี่ไก่เขาต้องติดคุกถึงยี่สิบปีนี่ก็ผ่านไปสิบสองปีแล้วถ้าพ่อเขาสวดมาหาเมตตาใหญ่ทุกวัน อย่างที่อาตมาแนะนำลูกก็จะได้รับส่วนกุศลและสามารถหนีออกจากคุกขี่ไก่ได้ไม่ต้องตายในคุกญาติโยมทั้งหลายโปรดจำไว้ว่าพ่อแม่ลูกทำบุญให้กันได้เพราะถือเป็นสายเลือดเดียวกันยกตัวอย่างโยมเมื่อตะกี้เนี่ยแกก็สามารถทำบุญเด็กการสวดมนบทมหาเมตตาใหญ่ จริงๆมหาก็แปลว่าใหญ่ทำไมถึงจะต้องมีใหญ่ห่อยท้ายอีกก็ไม่รู้น้โยมนะท่านตั้งข้อสังเกตแล้วจึงอธิบายต่ออีกว่าถ้าโยมคนนั้นแกสวดมหาเมตตาใหญ่ทุกวันบุญกุศลที่เกิดจากการสวดมนต์ที่เรียกว่าภาวนาใหมา่ก็จะไปถึงลูกชายของแกอย่าลืมว่าบุญนั้นเป็นปฏิหารอย่างหนึง่ง เราะว่าสามารถช่วยคนให้รอดตายได้อย่างปฏิหารอาตมาได้พิสูจน์มากับตัวเองแล้วถึงได้กล้ารับรองอย่างที่อาตมานั่งพูดอยู่ได้ก็เพราะบุญกุศลช่วยเอาไว้ถ้าอาตมาไม่มีบุญก็เรียบร้อยไปแล้วป่านนี้เข่าเมรินไปแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมจงสร้างบุญสร้างกุศลไว้มากๆถึงกล่าวคับขัน ก็จะช่วยเราได้สตรีวัยหกสิบเศษแต่งกายด้วยชุดสีขาวแบบแม่ชีขอทางเข้ามานั่งข้างหน้าอ้างว่ามีเรื่องสำคัญจะกราบเรียนท่านครั้นนั่งแล้วจึงกราบสามครั้งพูดด้วยเสียงไพเราะเพราะพริ้งว่าท่านเจ้าขาดิฉันบรรลุยานสิบห้าแล้วเจ้าค่ะจะมาขอต่อยานสิบห ท่านช่วยต่อให้ดิฉันด้วยนะเจ้าคะดิฉันอยากได้มานานตอนนี้ได้แค่ยานสิบห้ายานสบหเป็นอย่างไรเจ้าคะประโยคหลังเป็นคําถามไม่ทราบพระอาตมายังไม่เคยได้ซักยานสงสัยโยมจะมาผิดวัดเสช่แล้วท่านไม่ได้พูดปดเพราะยานที่ท่านพูดถึงคือยานในความเข้าใจของโยมผู้นี้ มิใช่ญาณตามคำสอนในพระพุทธศาสนาเมื่อถูกท่านปฏิเสธหญิงสูงอายุในชุดแม่ชีก็ออกฤทธิ์ออกเดชโ่เอ้ยเนื่อกว่าจะเป็นพระอรหันต์อย่างที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวที่แท้ก็ยังเป็นปุถุชนฉันเองก็ได้แค่สิบห้าญาณแต่ท่านกลับยังไม่ได้เลยสักญาณแบบนี้ฉันไม่กราบท่านหรอกท่านนั่นแหละ ต้องกราบฉันเพราะฉันยานสูงกว่าท่านพูดอย่างดูแคลนอาตมากราบโยไม่ได้หรอกเพราะผิดวินัยบัญญัติไว้ว่าห้ามพระภิกษุในธรรมวินัยกราบสตรีถึงโยมจะได้ยานส5บ้าอตมาก็กราบไม่ได้ตัาฑพระครูพูดด้วยสมณสัญญาทำไมจะกราบผู้หญิงไม่ได้ ฉันยังเคยเห็นพระประเรียน8ปดเรียน9กราบแม่กอรกฎเลยและท่านล่ะได้ปรเรียนอะไรทําไมถึงกราบฉันไม่ได้ปรเรียนอะไรก็ไม่ได้แต่ก็รู้และปฏิบัติตามพระวินัยได้เคร่งครัดกว่าปรเรียน8ปดเรียน9บางรูปมีอย่างที่ไหนพระไปกราบผู้หญิงจบปรเรียนมาได้ยังไง ท่านเชื่อที่โยมผู้นี้พูดว่าป ร, รียน8ปด ร, รียน9กกราบโยมกรกฎจริงเพราะเคยมีป ร, รียนแปดรูปหนึ่งมาจากกรุงเทพและพูดชื่นชมโยมกะระกฎให้ท่านฟังว่าได้ยานสูงจนพระป ร, ะรียนแปดซึ่งกำลังจะเป็นประรยนีก้าอย่างตนยังต้องกราบท่านฟังแล้วก็รู้สึกสังเวชใจ จึงได้ถือโอกาสเทพให้พระรูปนั้นฟังทั้งที่ท่านเองก็ไม่ได้จบป ร, รียนสักประโยคน่าเป็นห่วงพระาศาสนานักโอ้ยยิ่งฟังท่านพูดฉันยิ่งปวดหัวไม่ฟงไม่ฟังละพระไม่ได้ญานก็พูดไม่รู้เรื่องแบบนี้แหละฉันไม่น่าจะเชื่อพวกหนังสือพิมพ์เลยเสียวเวลามาเปล่าๆ พูดจบ ก, ก็ลุกขึ้นเดินออกไปโดยไม่ร่ําลาโอ้ยกูรําคาญอีกคนยานมากจังมึงไปยานที่อื่นเถอะป้ายคืนมายานที่นี่ประเดี๋ยวกูก็ให้ผู้ใหญ่หอมจัดการซะหรอกเมียผู้ใหญ่หอมตะโกนไล่หลังผู้หญิงชุดขาวได้ยินก็หันควับมาทันทีใครใครด่ากูประเดี๋ยวแม่สาปให้เป็นลิงดำเส้นี่ หล่อนอวดอ้างอิทธิฤทธิ์เท่านั้นเองเมียผู้ใหญ่หอมก็ลุกขึ้นยืนเท้าสะเอวท้าเยงเงเอาสิสาบเลยถ้าไม่สาบกูจะตบล้างน้ำเดี๋ยวนี้แหละว่าแล้วก็เดินฉับฉับเข้าไปหาแต่ไม่กล้าประชิด ต, ตัวเพราะไม่แน่ใจว่าฝ่ายนั้นจะสาบได้จริงหรือเปล่าแต่ถึงถูกสาบ หลวงพ่อก็ต้องช่วยอยู่แล้วเห็นอีกฝ่ายเอาจริงผู้หญิงใส่ชุดสีขาวก็ชักกลัวจึงพูดแบบผู้ทรงศีลว่าฉันไม่อยากเอาพิมพ์เสนมาแลกกับเกลือถ้าฉันสาบเธอก็จะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆเดี๋ยวคนเขาจะเอาไปนินทาว่าฉันรังแกคนต่ำต้อยกว่าเอาเถอะฉันเอาโหสิกรรมให้ พูดจบก็เดินออกไปช้าๆพยายามนึกถึงภาพนางพญาที่สง่างามโถ่เอ้ยนึกว่าจะแน่สักแค่ไหนทิ่แท้ก็ไม่มีกึ้นเมียผู้ใหญ่หอมยังไม่ยอมเลิกผู้ใหญ่หอมอยากจะบอกเมียว่ายังไงก็ให้เกรงใจท่านพระครูบ้างแต่ความที่กลัวเมียก็เลยไม่กล้าบอก สมภารวัดป่ามาม่วงรู้สึกว่าท่านไม่ได้ดูละครมาหลายปีแล้ววันนี้มีคนมาเล่นให้ดูสนุกดีเหมือนกันครั้นละครจบท่านจึงบอกเมียผู้ใหญ่หอมว่าโยมนั่งลงเถอะจะยืนให้เมื่อยขาทำไมละ่ะหล่อนหันไปค้อนให้ท่านพระครูวงหนึ่งแล้วจึงนั่งหลวงพ่ออีนางนั่นนะ่ะมันมียานอะไรข้องมัน ถึงได้ทำยะโสโอหังขนาดนั้นคนได้ยานเขาเป็นอย่างนี้กันหรือหล่อนยังไม่หายโกรธอย่าไปสนใจคนอื่นเลยโยมสนใจตัวเองดีกว่าแต่อาตมาก็ได้ขอคิดจากโยมชุดขาวคนนั้นนะได้มากเสียด้วย ท่านพระครูทำวิกฤตให้เป็นโอกาสหลวงพ่อได้อะไรจากมันหระจ้าฉันเห็นมันว่าหลวงพ่อฉอดชอตหลวงพ่อยังว่าได้ข้อคิดจากมันพี่ลึกจริงเชียววลีหลังหล่อนพูดในใจได้สิโยมอาตมาได้ข้อคิดจากโยมคนนั้นว่าตาหูเป็นครูใหญ่ เราจะเรียนรู้อะไรก็ต้องผ่านที่ตาที่หูของเราคนสองคนฟังเสียงเดียวกันเห็นสิ่งเดียวกันแต่ได้บาปได้บุญไม่เท่ากันคนที่นับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ได้บาปได้บุญไม่เท่ากันก็มีอยู่มากบางคนก็สักแต่ว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็หาว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้คนประเภทนี้มีมากเสียด้วยแล้วก็เป็นพวกที่ทำลายาศาสนาอย่างแท้จริงไม่ใช่คนอื่นเข้ามาทำลายการที่โยมคนนั้นมาพูดเช่นนี้ก็ดีแล้ว อาตามาก็จะได้ถือโอกาสแสดงธรรมให้ญาติโยมฟังเพื่อญาติโยมจะได้ทำความเข้าใจได้ถูกต้องเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถือโอกาสแสดงธรรมโดยที่ไม่ต้องมีผู้อาราธนาพระพุทธองค์ทรงสอนคันทะธุระและก็วิปัสนาธุระ แต่ชาวพุทธเราไม่เข้าใจคิดว่าต้องทำทานจึงได้บุญทานเป็นบุญก่อจริงแต่ก็ได้บุญแค่สงเคราะห์ช่วยเหลือบุญที่สูงกว่านั้นต้องปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานก็จะเกิดเมตตากรุณาขึ้นในใจจะสามัคคีกลมเกลียวเกิดวินัยขึ้นได้แสงสว่างคือปัญญา คือจะแก้ปัญหาชีวิตได้ไม่ใช่มาปฏิบัติเพื่อจะไปสวรรค์นิพพานโยมจะต้องได้มนุษย์สมบัติก่อนแล้วจึงจะได้สวรรค์สมบัติและก่อนนิพพานสมบัติต้องเอาขั้นพื้นฐานให้ได้ก่อนเหมือนอย่างโยมคนเมอ่อตะกีเนี่ยที่มาขอต่อยานสิหกอาตมาต่อให้ไม่ได้หรอกอาตมายังไม่ได้สักยานได้แค่ข้อใจการปฏิบัติ เวลาฟังก่อให้ฟังด้วยปัญญาอย่าฟังด้วยกิเลสอัตมาปฏิบัติมาสามสิบกว่าปีครูอาจารย์จะให้ปฏิบัติเองก่อนแล้วค่อยสอบอารมณ์ท่านไม่ได้ให้ฟังเทศลำดับยานก่อนประเดี๋ยวจะเป็นวิปัสสนึกไปนึกเอาเองว่าตัวใดายานโน้นยานนี้เหมือนโยมคนนั้นซึ่งอัตมาฟังแล้วก็รู้ทันทีว่า มันไม่ได้วิปั ส, สนาได้แค่วิปัสสนึกอัตมาทึงได้บอกว่าเขาว่าอัตมายังไม่ได้สักยานเดียวการปฏิบัติธรรมต้องให้ได้สามข้อคือต้องระลึกชาติได้ต้องรู้เหตุการณ์ในชีวิตเทียวเรียกว่าเห็นกฎแห่งกรรมของตัวเองแล้วก็ต้องให้เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาได้ต้องปฏิบัติให้ได้สามข้อที่ว่ามานี้ ไม่ใช่ใดยานโน้นยานนี้เหมือนอย่างที่อาตมารู้ว่าคอจะหกักรู้กฎแห่งกรรมจะได้ไม่ปฏิเสธทุกข้อหาจะได้รับกรรมอย่างน่าชื่นตาบานเพราะเราทากรรมโดยตัวของเราเองไม่มีใครมาทำให้เราหลวงพ่อครับแสดงว่ายานสิบหเป็นเรื่องเหลวไหลใช่ไหมครับความอยากรู้ ทำให้ผู้ใหญ่หอมถามขึ้นโดยที่ไม่ได้รับอนุมัติจากเมียเสกกรญาณสิบหไม่ใช่เรื่องเล้วไหลไร้สาระหลอกโยมเป็นเรื่องของการปฏิบัติโดยตรงแต่นักปฏิบัติเขาจะไม่เที่ยวเอามาพูดว่าตัวใดายานโน้นยานนี้คนที่ได้จริงเขาไม่พูดคนที่พูดคือคนไม่ได้จริงถ้าอย่างนั้นนังนั่นก็ไม่ได้จริงใช่ไหมจ้าหลวงพ่อ คนถามเป็นเมียผู้ใหญ่หอมคราวนี้หล่อนตัดคำว่าอ e ีออกไปก็ ö, จริงสำหรับเขาแต่ไม่จริงสำหรับอาตมาไม่จริงสำหรับฉันด้วยจังถึงฉันจะยังไม่เคยปฏิบัติแต่ฉันก็ไม่เชื่อว่านางนั่นได้ยานสิหจริงธรรมะไม่ใช่เรื่องของความเชื่อหรือว่าไม่เชื่อธรรมะเป็นสัจธรรม คือความจริงแท้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงแท้ก็เป็นความจริงแท้อยู่อย่างนั้นหลวงพ่อพูดอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยถ้าโยมอยากรู้ก็ต้องมาเข้ากรรมฐานฉันคงไม่เข้าหรอกจ้ะแต่ฉันจะให้ผู้ใหญ่หอมมาเข้าแทนแตาหอมพรุ่งนี้แกมาเข้ากรรมฐานนะประโยคหลังหล่อนสั่งสามีจาก แม่อินูคนเป็นผู้ใหญ่รับคำอย่างง่ายได้